การปฏิบัติธรรมปฏิบัติกายที่ใจของเรากลับมาหากายหาใจของเราปฏิเราวะกลับกายเป็นฐานฐานของกายฝึกสติให้ตามรู้ของหยาบการเคลื่อนการไหวแต่ละกันไนหะ ขณะที่ติดว่องไวจะไปรู้ทันความคิดความคิดเป็นนมามธรรมรู้ฐานกายตัวรู้ก็จะไปรู้ฐานจิตเพราะว่าชีวิตมันมีกายมีใจมันปฏิเสธไม่ได้ จนเห็นเป็นรูปเป็นนามภาษาศาสศนาเรียกว่าขันธ์ห้ารูปตามนามธรรมสุกทุกขเน่มเป็นนามมันเกิดที่จิตที่ใจของเรามันมีสติรู้เท่ารู้ทันมันก็การปล่อยการวางขึ้นมาเห็นทุกเป็นเรื่องธรรมดา เห็นทุกเปเรื่องธรรมชาติก็เกี่ยวข้องด้วยปัญญาแก้ไขป่อนายบรรเทาก็เกี่ยวข้องด้วยปัญญามันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาทุกกายว่า เ, เรื่องต้องเกี่ยวข้องหิวก็ไปกินข้าวหนาวก็หม่มผ้ากระหายน้ําก็ไปหาน้ําให้ร่างกายเา้า เรียกว่าเดิมเป็นอาการกริยาการเดิมการกินเป็นกริยามันก็สะดวกประจัส4 5ห7 8เจดดภายนอกอาหารรึ่องอยู่ที่อยู่ศัยยารักษาโรค ที่สำคัญ ก, ก็คือปัจจัย4ภายในก็คือสติสีสมาธิสัมวิญญปัญญาเนี่ยนะเป็นปัจจัย4ภายในทนี่ก็จะต้องมีมีงานมีการงานนั่นก็คือกรรมฐานเป็นงานการของจิตสติรู้ที่กายกรรฐานกายสติรู้ที่สุขทุกขเวทนาก็คือเวทนา สติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเวลาคิดเวลาปกติก็เป็นฐานจิตมันรู้อยู่ก็การใช้ชีวิตทำหน้าที่เกี่ยวก้องกระทบสัมผัสทางอารมณ์มันก็เป็นธรรมชาติทางตาทางหูจมูกลิ้นอายาตัตนณะ2ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอารมณ์ เป็นธรรมอารมณ์เห็นเป็นธรรมชาติได้คําตอบกลับมาดูตนมันก็เห็นตนไม่เห็นตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักความเป็นคนเป็นมนุษย์รู้จักความเป็นกายาณนุปุชนเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระมันก็เลือกทําหน้าที่มารู้จักตน มารู้จักการงานว่าเราจะทำการงานอะไรเช้าตื่นมาต้องพับพ้าพรมต้องล้างหน้าแปลงคันต้องเดินมาทาวัดสวดมนต์อันนี้เป็นการงานการงานของคนหน้าที่ของคนหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของพระมันมีหน้าที่ มันทำหน้าที่โดยที่ไม่หวังไม่หวังเป็นอำนาจนิยมเป็นวัตถุนิยมถ้าพูดง่ายๆคือไม่ได้ปรารถนาลาบสกาละไม่ได้โลภมากสมบัติประกันชมเมือขยาวสาวได้สาวเอาจนเป็นหน้าที่การงานที่เราดำรงชีวิตแต่และกันแนะแต่และ ว, วินาที มันมีกิจกรรม ม, มีการละชั่วทำดีชาระจิตมันเป็นหน้าที่มันเป็นการงานงานที่ทำให้งามการงานที่ทำให้งามเดินในกรอบในกฎในระเบียบ น, ต น, นิตินัยพุตธินัยธรรมวินยัยมันก็มีอยู่ ในชุมชนในสังคมตั้งแต่ครอบครัวตำบลอำเภอจังหวัดประเทศจนสังคมโลกก็ว่าได้จะเป็นสังคมของพระอริยะนะกะโลกทั้งใบทุกคนมารู้สึกตัวทุกคนมามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาพุทธเริ่มต้นที่ตัวเรา ต่างควรต่างรู้สึกตัวต่างควรต่างมีสติเป็นสติที่รักษาตนเราก็จะได้เห็นว่าความรู้สึกตัวนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเป็นท่ามกลางเป็นที่สุดจนหยุดการแสวงหาจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนรู้สึกตัวอยู่มันเป็นความรู้สึกตัวที่ฝึกจนกระทั่ง มันรู้ตัวทัวพร้อมในทุกๆขณะมันเป็นตัววัดตัวเช็คตัวประเมินทุกครั้งที่เราอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติมันเช็คตัวเองมันตรวจสอบตัวเองมันเห็นตัวเองอาการต่างๆปฏิกิยาอาการต่างๆมันเกิดที่การปรุ่มการแต่งในความคิดทั้งหมดถ้าหลงเปลอเข้าไป บ้านของจิตคือปกติมันมีจุดมันมีศูนย์กลางมันอยู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเป็นความอ่อนโยนเป็นความผ่อนคลายเป็นความว่องไวอยู่ในแดนงานในแดนของปฏิบัติในแดนของปจัจฏิปกตนะิมันเป็นแดนของวิมุตติหลุดพ้นนะ มันเป็นความบริสุทธิ์เป็นพรวจรมันเป็นพระอยู่ตรงเนี้ยเวลากรดนี่มันวูบลงแางร้อนท้องหายใจไม่ถั่วท้องหายใจก็ไม่อิ่มมันเป็นพบเป็นภูมิเวลาร้อนวูบก็ลงนรกทันทีเี้มันเป็นนรกที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราสวรรค์ก็ไปในจิตใจของเรา โบราณท่านก็ว่าไว้สวรรค์นในอกนรกในใจนี่ผ่านมันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันทุกลังที่รู้เท่ารู้ทันมีสติมันก็ดึงถอนจิตออกมาจากอารมณ์มันต้องรู้ได้ปัจจัยสัจจคความจริงที่มีอยู่ตัวเราทุกคนมีอยู่กับตัวเราทุกคนมีอยู่ในตัวเราทุกคน มันก็เห็นเมื่อกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองชัดเจนโดวยเฉาวิธีปฏิบัติในหลวงปู่เทียนเนี่ยนะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนก็ตรงกับในปฏิวิตกนั่นแหละตรงกับคําสอนในพุทศาสนาทุกประการชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามชั้นสี่ก็มีการพูดกันไว้มันเป็นยังไงปฐมชาญ ตุติยาชาญเป็นยังไงมันมีอยู่ตติยาชาญมันก็มีอยู่จตุติาชาญปัญจมชาญมันมีอยู่ชาญที่หนึ่งมันเป็นยังไงเมื่อเรามารู้สึกตัวกับการเดินจงกลมกับการเคลื่อนการไหวมือนะหรือนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวมันเกิดอะไรขึ้น ในภาษาธรรมะเขาเรียกวิตกวิจารปิติ uk, สุกเอกาตาเป็นปฐมฌานมันเป็นยังไงวิตกวิจารคนท Bye ั่วไปมักจะวิภาวิจารเห็นอะไรก็เอเอ้ออไอนั่นไอนี่ไอโนนปรุงแต่งไปตามความคิดของตนของตนสิบคนก็สิบเรื่องมองเห็นสิ่งเดียวกันต่างมุมนิดเดียวก็เรื่องมาก เป็นวิภาวิจารณ์วิตกวิจารณ์มันเป็นเรื่องของการกลับมาดูตนวิภาวิจารณ์เนี่ยมันกลับไปดูผู้อื่นจากจุดเดียวกันนะหรือจะเรียกใหม่ได้ว่าออกไปดูผู้อื่นแต่ส่วนตัวมองมันเป็นการกลับทั้งสองทางนั่นแหละจุดกลางๆมันมีอยู่ความเป็นปกติมีอยู่ แต่ว่ามันกลับมาดูตนมันพลิกกลับไปไปดูผู้อื่นอนะันนี้ตัวเดียวกันแต่ไอ้ตัวที่ปกติกลางๆมันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้หลงนะถ้าหลงเนี่ยเหมือนกันไม่หลงนอกก็หลงในหลงเข้ามาในตัวเองก็ติดอารมณ์ตัวเองนะ เป็นลาคะรูปลาคะอรูปลาคะมากมายแล้วเกินภายนอกภายในภายนอกก็มีมีรูปเหมือนกันภายในก็มีรูปเหมือนกันรูปลาคะอรูปลาคะทีนี้พอเราปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันคืออารมณ์วิตกวิจารกับวิภาควิจารนั่นเองมันมีอยู่คือตัวคิดปรุงแต่งตัวเนี้นะ ทีนี้ภาษาหลวงปู่เตียนก็คือมารู้รูปรู้นามอารมณ์ที่หนึ่งนะนะพอรู้รูปรู้นามมันไม่พอมารู้บุญรู้บาสมารู้บุญรู้บาญยังไม่พอมารู้ตัวศาสนามารู้ตัวพระพุทธศาสนามันรู้รูปรู้นาม มารู้โทสะโมหะโลภะความโกรธเป็นไงอาการเวลาคิดปรุงแต่งแล้วโกรธเป็นไงโลภะเป็นไงมันละเอียดหน่าความโลภมันซ่อนอยู่ในกามราคะในราคะันเป็นยังไงมันจะเห็นตัวนี้ก่อนมันจะรู้กลุ่มก้อนขออาการต่างๆในตัวเร า, นะ น, าน้ำมันยังไม่พอมันก็ยายออกไปเป็น วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารมันคืออะไรในภาษาที่เราส่วนมิสครู่มันจะรู้คืออะไรวิญญาณคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรอยู่ในความคิดปรุงแต่งมาเลยมันเห็นเลยอ๋อเอตัวนี้อารมณ์วิตกวิจารณ์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้สมาธิมันเป็นอย่างนั้นปีติมันเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างนี้ความสูงเป็นอย่างนี้ มันจะกลับมาดูตัวเองเห็นเป็นอาการมันเป็นอารมณ์ที่หนึ่งแล้วมันมีปีติแล้วมั น, ม, ม, นมีความสุขขณะปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะมันรู้เรียกว่าวัตถุอาการปรมัตดในอารมณ์ที่หนึ่ง วิตกวิจารปิติสุกเอก ะ, กะต า, าก็คือมันจะรู้ว่าขณะที่เดินอยู่นะโอ้คิดอยู่นะเนี่ยคิดอยู่เป็นมรรคเป็นผลมารู้ว่าเออกายเป็นยังไงมารู้ว่าออรูปเป็นยังไงรูปธรรมมาล้วว่าจิตเป็นยังไงอาการของจิตเป็นยังไง ถามสบาว่าหยาบหยาบเท่าที่จะรู้ได้นะลงที่หนึ่งมันจะรู้อาการของจิตเป็นยังไงมันจะเป็นสิ่งเดียวกันพอมันมันเป็นอาการที่ตัวเรานใหม่ๆนี่เราไม่สรุปเวลาปฏิบัติธรรมเราจะไม่สรุปแต่ว่ามันจะเป็นอาการที่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านไม่สรุปอะไรสักอย่าง ยิ่งรู้สึกตัวมากเท่าไหร่การเดินทางก็ไวมากเท่านั้นเป็นความรู้ที่บริสุทธินะ์มันเป็นภาวะของจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันเดินก้าวหนึ่งไปเรื่อยๆเจออะไรเราไม่แวะเจอบวกเราไม่แวะบวกเกิดความพอใจเราไม่แวะติดยึดกับความพอใจนะ เจอความไม่พอใจแล้วก็ไม่ติดยึดตนะ่อความไม่พอใจมันจะมีอาการเป็นอาการของกายของใจนะแสดงออกที่นี่หลวงพ่อกำเขียนท่านเป็นประธานสงฆ์ของทิวัดป่าสุตโตท่านชี้ไว้ชัดว่าวิธีปฏิบัติทำให้ง่ายๆนะให้ดูเป็นอาการอย่าไให้คุณค่าเป็นความพอใจหรือไม่พอใจ ดีก็มีค่า0ู0จุดูศูไม่ดีมีค่า0ู0จุดูศูเป็นศูนย์ยตาว่างจากความหมายความเป็นตัวตนมันมีค่าเท่ากันระหว่างคนดีกับคนชั่วระหว่างบุญกับบาปติดบาปก็ทุกติดบุญก็ถุกทำดีต้องวางดีเป็นเห็นดีทำดีเป็นหน้าที่เห็นดีเป็นเพียงแค่กิจกรรมหรือการกระทา การงานที่เราต้องทำทำให้เกิดความงามแต่ไม่นช่หมายถึงเอาไปยึดเป็นความสุขในตัวเรามันจะทำให้ติดเสียวเวลาในการเดินทางชีวิตมันต้องมีการปล่อยวางเหมือนหลายคนที่ก็พปวดกษียนมีตาแหน่งมีหน้าที่มีความสําคัญมีอํานาจท้ายสุดพอกษะเียรแล้วบางคนว้าเวยเป็นโรคซึมเศร้า ลักษณะนีน้คือจิตมันติดดีเพราะว่าบางค น, นถึงกับเมอเดินไปรถชนตายก็มีมาแล้วปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเป็นที่พึ่งการกลับมารู้จักตนรู้จักคนรู้จักหน้าที่การทำการงานต่างๆโดยเพราะงานกรรมฐานเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปทำได้นะฟังรู้สึกที่หูได้ฟังโดยทีมนองอินนะกับเรื่องราวนะฟังเฉยๆรู้เฉยๆมนะันเป็นการไปทำทันทีนะเสียงมกระโตหูหูก็มีระบบประสาทก็คือกายนั่นแหละแต่ราละเอียดนิดนึงหูนี่ไว้ใช้ท้ายสุดคือเวลาใกล้ตายนะหูจะดีมากๆชัดที่สุด ตาไม่ชัดตาเบลอนะแต่หูนี่ได้ยินหมดเลยยิงชัดนะเพราะนั้นกนรารประทามเนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะเอามาเป็นตัวกรรมฐานได้หมดเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมารู้ที่ฐานกายตาหูจมูกลิ้นนะอย่างเช่นใช้ตานะบางทีเขาเล่นกรสินกสินสีนะบันนะกะสิน ดูไฟเอากระดาษแผ่นหนึ่งเจาะรูก็เสร็จแล้วก็มีเทียนมาตั้งมองรอดรูไปเห็นเปลวไฟเปลวไฟมันดับไปดับมากระพิบไปกระพิบมามันมีสติมีสมาธิเห็นเกิดปัญญาขึ้นมายกจิตขึ้นเป็นแล้วนะของวิปัสสนาญาณขึ้นไหเป็นอุคนิมิตปฏิภาคนิมิตอะไรมันมีคํา เรียกอยู่แต่ของเรานะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วคือขาแข้งมือไม้ปืนต้องตาหัวจอรถเต้าเคลื่อนไหวรับรู้เหตุการเกิดดับหมดเลยเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อ น, อนหยุดต้องใจหยาบไปหาละเอียดนั่งเดินยืนนอนจนเหตุการที่มันละเอียดละเอียดเย้ เ, ยเยาไปให้เต็มไปหมดเลยเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม สมัญญาคนที่รู้ตัวตัวพรามันก็เออสติตื่ น, นการเลือกรู้ปัญญาตื่นสว่างบ้องไวมันก็พัฒนาไปจากหนึ่งเป็นสองอย่างจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานมันเป็นยังไงทุติยฌานมันเอาความคิดออกไปก็คือวิตกวิจารเนี่ยออกไปซะ มันจะทรงไวนะ้อารมณ์ปิติสุขเอกกตาอย่างนี้นปิติมีอยู่อ่อนๆเป็นอารมณ์บุญนั่นแหละเวลาเรามีอารมณ์บุญจิตมันก็จะมีปิติอ่อนๆพอมีปิติอ่อนๆ ม, มันมีความสุขมาแทนอาการเจ็บาอาการปวดอาการป่วยหายหมดเป็นปลิดทิ้งเลยนะอาการคนป่วยก็เหมือนไม่ป่วยแล้วแต่มีตัวปิติ เพราะนั้นปิติเนี่ยต้องเข้าออกให้เป็นวสีด้วยไว้ใช้เวลามีทุกเวทนา ก, ากล้าๆมีความทุกข์กล้าก็ถึงบอกว่าให้ระลึกถึงบุญมีสติระลึกบุญเคยทําทานมาสติสิบเนี่ยมันมีอยู่ระลึกรู้ทานที่เดวเองเคยทํามาก่อนให้ขณนะให้หลังใหเ้เวลามีความทุกข์นึกถึงร่องรอยความดี ความภาคภูมิใจความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็มีความสุขนะแต่ท้ายสุดก็คือให้เราเนี่ยวางตัวปิติออกไปอีกวางตัวปิติออกไปใจจะจามก็ปิดปากนิดนึงก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นมงคลเป็นบุญกระดาษเนี้ยนะบุญมันจะเกิดทันที แต่จะเกิดบาปก็ได้นะทุกอย่างทุกสิ่งการละเทศานี่ก็สำคัญปิตินี่จะเกิดทันทีที่เรารู้จักว่าคิดเป็นกลับไปคิดในเรื่องบุญนะที่ผ่านมานะมันเป็นบุญเป็นความดีของเราและคนอื่นด้วยนะบางทีมีคนทําดีอยู่เต็มโลกเลย อย่างอาตมานี่ชอบนึกถึงหลวง ป, ปู่แหวนสุจินโนหนึ่งใชา้ยาเดียวกันสองก็คือเคยแขวนเหรียญหลวง ป, ปู่แหวนสุจินโนเป็นเหรียญแรกเลยที่ค้องคอสามก็คือวัดปฏิบัติของท่านมีคนกราบคนไหว้ พระนี่ขายดีมากรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยทาให้เกิดธุรกิจบุญขึ้นมามากมายหลายคนก็ใสบารมีของท่านทำมาหากินเนี่ยเราก็นึกถึงอ้เราก็ฉายาสุนโนหลวงปู่แหวนก็อยู่กับเรานึกถึงหลวงปู่เทียนเวลาเห็นเทียนคิดถึงหลวงปู่เทียนและลึกถึงความดีของคนอื่นอันนี้ก็หมายถึงว่าเรา ดีอยู่แต่ว่าเราไม่ทันได้เราลึกนะเราลึกถึงคนดีที่เคยทําดีให้เราได้เห็นให้เราได้ยินมันก็เป็นความสุขเป็นปิติเราเหมือนกันคนลุกขนพองสยองกล้าวมันมีอยู่นะอารมณปิติท้ายสุดเปรียบธรรมก็ต้องวางเพราะมีอารมณ์ที่สูงกว่านั้นอีกปิติสุขนะเอกคตา เวลาวางพิธีลงไปก็เป็นทุติยฌานเป็นตติยฌานเป็นปัญจมฌานเออตตุไทยฌานปัญจมฌานมันก็จะเรียงไปตามลําดับทุกครั้งที่เราวางอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะบางทีปฏิป ธ, ธรรมเนี่ยนะการผ่านอารมณ์แต่ละอารมณ์นะมันเหมือนกับง่ายแต่ก็เหมือนกับยาก ที่ว่าเหมือนกับง่ายก็คือทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตก็จะปกติขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันไม่รู้สึกตัวมันก็จะหลงเข้าไปอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในขณะนั้นที่ภูมิจิตภูมิธรรมมันเดินถึงแต่แล้วจะแช่มันเหมือนไม่เกิดปัญญาต่อไปมันเหมือนก็หยุดก็ไม่ได้แล้วก็ทําก็ไม่ได้ เหมือนกับว่าอยู่กับที่ตรงนี้แหละความรู้สึกตัวเนี่ยจะต้องที่ถี่จึงมีการเก็บอารมณ์อุกฤษเก็บอารมณ์เข้มมีการกักเพื่อไม่ให้อารมณ์ข้างนอกมากระท บ, บแต่ไม่ใช่ทําให้เกิดความอ่อนแอ น, นะเพื่อให้อารมณ์ข้างในเนี่ยมันทันรักให้มากที่สุดเหมือนตอนนี้ที่เราดีทอร์กเนี่ย เราล้างสารพิษเนี่ยดีท็อก mm hmm. เพื่อใหนะ้ของเก่ามันออกมาของใหม่อาหารใหม่นี่ไม่ให้เข้าไปอาหารที่เป็นกากไม่เข้าไปอันนี้แหละอุกเล็ดเหมือนกันให้ร่างกายไม่ต้องรับอาหารจิตก็เหมือนกันไม่ต้องรับอารมณ์เสร็นะจแล้วดูข้างในอะไรมันจะออกมาก็เหมือนที่เรา D นะดีท็อกนะดูสิว่าอะไรมันจะออกมาของที่มีอยู่ข้างใน มันก็จะออกมาแต่ถ้าใครลองอาหารใหม่เข้าไปนะมันเลยไปรวมกับของเก่ามันออกมาเลยไม่รู้ว่าของเก่าหรือของใหม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยอุปมาอุปไมยนะยกตัวอย่างเป็นต้นจากสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆจริงพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปอารมณ์นะที่เกิดจากความคิดการปรุงการแต่งกันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไ ป, เ, งไปเราก็จะได้เห็นนะ ทิฏฐิมาหนะ้อัตตาตัวตนเรื่องทีปฏิฆะหรือว่าตัวราคานะมันกระโดดไปเป็นอนาคามีเลยนะเวลาเราเรียนวิธีการหลวงปู่เทียนนะการรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเห็นเลยบางทีมันเห็นรู้กับหลงหลงกับรู้เลยเป็นตัววิชาตัววิชาเลยเพราะฉะนั้นวิชามทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำ้เกิดนามรูปนามรูปทําให้เกิดสลายยตนะ สายตนาทาให้เกิดภัจจ์อย่างเงี้ยเกิดเวนาตัญหาอวทานเกิดพบเกิดชาติฉลาบแลนะมันเกิดเลียงกันเป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทนะมันเลียงกันไปจนถึงกระทั่งทุกข์ด้วยนะทุกข์อุปายาสะพิบตาเดียวหลงนิดเดียวน่ะไปสู่นรกเลยหลงนิดเดียวไปสู่ภพภูมิเลย แต่พอรู้สึกตัวครั้งเดียวจิตปกตินียมันเหนือภพภูมิทุกๆภูมิมันจะเป็นพุทธภูมิก็ว่าได้จิตรู้ตื่นเบิกบานขนาดเดียวเป็นพุทธภูมิเราก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกรูก้คือวิชาวิชานี้เกิดความศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเมื่อรู้สึกตัวมันไม่ทุกจิตมันเลยไม่ไปขนไกว หาวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมอำนาจนิยมพอรู้สึกตัวมันรู้สึกว่านั่นละคือธรรมชาติธรรมดาเป็นชีวิตจริงนะทีนี้พอมันศรัทธาความรู้สึกตัวการเคลื่อนกันกไหวกรรมฐานอาชีพการงานนี้ขึ้นมามันก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกศรัทธาทําให้จิตลื่นเริงกับการกระทําขึ้นมาการปฏิบัติขึ้นมาปลาโมดจิตใจก็ปลาโมดขึ้นมา เหมือนกับเราทํางานแล้วติดลมทํางานแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเลยเมื่อจิตใจเกิดความปลาโมดลื่นเลงกันกระทําขึ้นมาตั้งใจปฏิบัติธรรมดีดีถึงตรงนี้แล้วมันไม่ค่อยได้สนใจนั่งก็นั่งได้ทนนั่งได้นานจิตใจปลาโมดทําให้เกิดปีติขึ้นมาครั้นี้ล้วโอ้มันมีความสุขตามมาเกิดกายแล้วตาจิตตาลตาตาม เกิดปะสสติตามปะสทีิหมายถึงความสงบกายก็สงบขึ้นมาเลยคนป่วยต้องใช้นะอาการแบบนี้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องใช้เลยปะสสติคือกายสงบใจสงบมันแยกได้เลยอ๋อกายสงบเป็นอย่างนี้เนี่ยผ่อนคลายรู้สึกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลร่างกายของเรายืดหยุ่นดีดี มันไม่นั่งกดทับเหมือนก็ถูบังครับนย่านั่นแคืออาการของกายสงบปสัสสธิภาษาศาสน า, าเรียกว่ามันก็เลยมีความสุขแลกายก็อยู่กับกายเป็นธรรมชาติของกายใจก็อยู่กับใจเป็นธรรมชาติของจิตของใจต่างคนต่างอยู่สบายไปเลยเกิดความสุขขึ้นมาอย่างมหาศาล เป็นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเป็นผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติธรรมแต่การตรงนี้เขาเรียกว่าฌานภาษาศาสน า, าเรียกว่าฌานมันมีสุขอยู่หลายระดับมากเห็นรูปนามก็สุขระดับหนึ่งเกิดการปล่อยวางระดับหนึ่งเห็นตัวสติไงก็เกิดความสุขระดับหนึ่งเกิดการปล่อยวางระดับหนึ่งสติรู้กายสติรู้จิต จิตรู้จิตจิตรูจิตสติรู้สติมันเป็นความสุขแตละขณะแตละขณะแตละขณะที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเบาขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้นตื่นตาตื่นใจสติดูกายก็ตื่นกายสติดูใจก็ตื่นใจสติรู้สติมันก็วางสติก็ยิ่งตื่นมันก็เลยเกิดการปล่อยวางก้นมาเกิดยาถาพุธยาน ยานฆ่าโคตโคตของปุถุชนเนี่ยมันไม่เอาปุถุชนก็คือต้องกินต้องเสพนะกินขี้ปีนอนนะมันเห็นอยู่นะจะใช้ก็ได้นะเป็นหน้าที่จะไม่ใช้ก็ได้นะมันมีเขามันอยู่ตรงนีนะ้ทีนี้พอมันเบื่อหน่ายนิ่พิทายานก็เกิดขึ้นมานะเกิดวิลาคะ ข, ขึ้นมาก็คือไม่ใช่วลาคะ เปลี่ยนจากการให้ราคาเป็นไม่ให้ราคาแต่เห็นประโยชน์อยู่หยิบมาใช้ได้ตามหน้าที่นะวิลาคาก็เกิดวิมุตขึ้นมาหลุดพ้นขึ้นมาจากอาการต่างๆเคยเห็นว่าสวยมันก็เห็นเป็นเรื่องธรมธรมดาๆเห็นอยู่ดูอยู่แต่ไม่ได้ว่าพอใจไม่พอใจนะเห็นว่าไม่สวยก็รู้อยูนะ่เห็นว่าไม่งามก็รู้อยู่ แต่มันก็ไม่ได้ให้คุณค่าเป็นความพอใจไม่พอใจมันก็เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องโดยเสมอกันไปหมดเลยสัจสัตว์สวพสิ่ง เ, เสมอกันด้วยคุณค่าถ้าเราหยิบ ม, มาใช้ได้ตรงโภนะ ก, กาลเทสะใช้ด้วยปัญญาก็ถือว่าได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงเป็นประโยชน์ทั้งหมด กินเม็ดดินเม็ดใจสายลมแสงแดดในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์สรสรพสิ่งเมื่อรวมตัวกันก็จึงเป็นโลกทั้งใบเป็นโลกธรรมโลกธาตุใช้ถูกเกิดประโยชน์ทั้งหมดใช่ไม่ถูกเป็นโทษทั้งหมดจึงบอกว่าขณะไอนะถ้าไอขณะที่ไม่ควรไอหรือไอไม่ละวัดระวังเป็นอกุศลทันทีพูดธรรมมากก็เหมือนกัน พูดไม่ถูกกาแลเทศะพูดไม่ถูกจังหวะก็เป็นอกุศลทันทีเป็นอย่างนั้นจริงๆง่วงนอนก็เป็นกันง่วงนอนไม่ถูกจังหวะง่วงนอนเวลาขับรถก็เป็นอกุศลทันทีถ้าก่อนนอนง่วงเป็นกุศลทันทีมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีกลัวอย่างเงี้ยความกลัวทุกคนมีความกลัวเป็นมัจจุบันอยู่แล้วความกลัวไม่ดีกลัวผีกลัวตายไม่ดี แต่ถ้ากลัวบาบดีหายชั่วกลัวบาบดีตัวกลัวตัวเดิมตูขสตินํามาใช้เป็นกลัวบาบกลายเป็นของดีขาดสติกลัวไม่เข้าใจบางคนนกลัวแค่เข็มฉีดยากามกระโตอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความกลัวที่ไม่เข้าใาขาดสติอย่างมาก กลัวล่มละลายกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นทุกก่อนทุกกลัวก่อนที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นจริ ง, รงๆวันไหวไปก่อนเบื่อกันเหมือนกันเขาบอกว่าเบื่อไม่ดีตัวเบื่อนี่ไม่ดีนะเวลาปฏิบัติธนะรรมเนี่ยเบื่อเบื่อแต่ทำไมเวลาเบื่อความทุก ที่เราหลงอะกลายเป็นเรื่องดีเหนื่อยในความทุกข์ที่เราหลงอะกลายเป็นเรื่องดีเบื่อแล้วเกินความยากจนบัดนี้เราต้องขยันขึ้นมาทำไมมันกลายเป็นของดีขึ้นมาเพราะนั้นมีสติของไม่ดีกลายเป็นของดีของดีก็ยิ่งดีขึ้นไปตัวขยันก็บอกว่าดี เราไม่มีสติสิขยันทุกขยันหลงขยันโกรธมันเป็นความขยันที่นะกลายเป็นโทษขึ้นมาสติจึงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกนะเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ในความรู้สึกตัวมีสติในความรู้สึกตัวมีศีลในความรู้สึกตัวมีสมาธิในความรู้สึกตัวมีปัญญานะวิธีปฏิบัตินะ วิธีปฏิบัติจึงไม่ต้องทําอะไรมากเรียนรัดหายใจก็รู้สึกตัวกับพิษตาก็รู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนก็รู้สึกตัวจะนั่งจะพูดจะนิ่งจะกินจะขับถ่ายก็รู้สึกตัวจะคิดนึกปรุงแต่งก็รู้สึกตัวมันรู้ก็รู้สึกตัวมันไม่รู้ก็รู้สึกตัวความรู้สึกตัวจึงเป็นธรรม ที่เป็นที่สุดของธรรมชาติยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงเลยทำทั้งหลายทั้งปวงก็รวมลงในความรู้สึกตัวก็คือสติปัฏฐานนี่แหละปดมนสี่พันพะระธรรมขันธ์ทำเรื่องเดียวเห็นหมดนะมองลงมาทีนะ่กายที่ใจด้วยความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจากหยาบก็คือนะการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัส อันนี้ยาบที่สุดแล้วน ะ, นะการที่เราเคลื่อนมือ <c oughs> เคลื่อนไม้นะสิบสี่จังหวะกระทบสัมผัสเดินยงกลมเนะี่ยยากที่สุดแต่เดินนี่ข้อจุดอ่อนของมันจะมีก็คือเราเคยเดินไปคิดไปแล้วเดินจนจานานอยู่แล้วแต่การเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะเราไม่เคยทำมาก่อนตัวกิเลสเขาจะงงมากมันจะขย่ากิเลสไดไวมากล่อนกิเลสไดไวมากอาการต่างๆจะปรากฏไดไวมาก ไม่เชื่อก็ลองดูเคลื่อนมือสักหานาทีสินาทีจะเห็นแล้วโมันง่วงง่วงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเบือ่อเบือ่ออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรียกว่าขอมแมงขอมแมงมากมากเลยมีเจตนาเคลื่อนไหวมีการกาหนดรู้ที่เจตนาเคลื่อนไหวก็ได้เหตุที่ว่าน้าย่อกับน้าบง่งปกติเวลาเจตนาคิดดีพูดดีทาดีมันก็ได้รับผลดี เจตนาคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วมันก็ได้รับผลชั่วครนี้เจตนาทํากรรมฐานมันก็ได้รับผลก็คือเห็นธรรมชาติเกิดธรรมชาติขึ้นมามีตาในตาปัญญาตัวเจตนามันพาไปจนทั้งไม่ต้องเจตนามีการกําหนดรู้ลงไปทํำไมต้องกําหนดรู้ที่ตัวเพราะจิตมันไม่คุ้น มันไม่คุ้นที่จะมารู้กำลังรู้ที่ตัวมันชอบกำหังรู้ไปเรื่องนอกตัวมันจะมองไปที่บุคคลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามวัตถุหนึ่งสอสมันจะมองออกนอกตัวเป็นประจำโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆขณะก็เรียกว่าต้องทันสมัยต้องนำสมัยอย่างเงี้ยต้องลับยุคยต้องเหนือชาวบ้านต้องเหนือคนอื่นเพื่อที่จะได้คุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยไปไหนก็คุยถึงเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นมา เป็นคนที่จะเหลียวฉลาดอย่างเงี้นะทีนี้เราก็เลยกําหนดที่ตัวไกลของเราพอกาหนดที่ตัวกายของเร า, า, เราปับ๊บเนี่ยมันจะตาในกลับมาหันตาในกลับมาพอกําหนดปับ๊บมันก็ไม่เกิดกําหนดัด เ, เกิดกําหนดก็กลายเป็นลาคะเป็นปฏิคะแต่พอเรากําหนดปับ๊บเนี่ย มันกลายเป็นความเป็นปกติของจิตความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตนีมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าถึงกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าวันนี้ถ้าทําได้ยากนะวันข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่ายากยิ่งกว่า น, นี้อีกไกลก็ไม่ไหวนั่งก็โอยลุกก็โอยอย่างเงี้ยนะจิตตอนนี้ยังเป็นจิตที่ยังฝึกได้อยู่เพราะว่า ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่นี่ดัดยากต้องปล่อยให้ผูกให้พังอย่างเดียวเลยไม้อ่อนก็คือจิตของเราขนาดเนี้ยมันยังสามารถที่จะฝึกได้มีสติมีปัญญาได้แต่เวลาเราทุกข์มากๆเช่นนอนอยู่ในห้อง i อซอย่างเงี้ยมันรับทุกขเวนากล้ามากเลยครนี้พอมีความทุกขมากๆมันดูดไปดูดไปดูดไปเราไม่มีปิติ เราไม่มีประสะทัที่เราไม่มีความสุขนะที่เกิดจากการมาดูตัวเองเห็นตัวเอ ง, เองไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมจนเห็นเข้าออกจนเป็นวัดสนะีเพราะนั้นเราจะใช้ไม่ได้นอกจากนะมีผู้ที่มีบุญบา ร, รมนะีอย่างเช่นอายการเนะี่ยเคยป่วยนะปวดท้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีพระอาจารย์มารูปนะเกิดปิติมันเกิดปิติ มันก็จะเกิดกระบวนการของจิตขึ้นมาคือแทนที่จะอยู่ความเจ็บมันก็มาอยู่กับตัวปิติอารมณ์ปิตนะิภาษาพวกนี้จะเรียกทีก็ได้ว่าเป็นอารูปภพม์ก็คือมันไหลรูปมันมีความสุขมีอาการอยู่ข้างในและจิตไปเกาะอยู่กับอาการของข้างในครนะนี้กระบวนการของวิปัสสนาคือให้เห็นอาการเหล่านี้เป็นความรู้สึกตัวอ๋อปิติมันรู้สึกอย่างนี้นะ อ, นอ๋อสุขมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะ มันก็จะเกิดการอ่านตนอ่านสภาวะธรรมแล้วก็ได้คําตอบตีโจทย์แตกมันก็เลยผ่านไปอีกเกิดการปล่อยการวางขึ้นมาจนกทั้งท้ายสุดจิตเกิดความวิมุตติพ้นนะเพราะไม่ให้ราคากับดีกับไม่ดีอารมณ์บุญอารมณ์บาปอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้า ย, ยามันปล่อยมันวา ง, างนนจนกระทั่งมันเห็นตัวละเอียดที่สุดก็คือ ลักษณะของสุขที่เกิดความละเอียดเป็นสุขที่เป็นอรุปรพรมมันปล่อยมันวางแั๊บตรงนั้นนะเกิดอาสวะคยายานขึ้นมานิพพานก็อยู่ตรงนั้นเป็นความว่างวางจากความหมายความเป็นตัวตนที่เข้าไปยึดในสภาวะธรรต่างๆเนี่ยก็พูดอย่างนี้แหละเราก็กันกรองเอาที่พูดว่าต้องกันกรองเอาก็เพราะว่า สมัยพระเจ้าเป็นสมัยที่นะรู้ธรรมแล้วก็เชื่อว่าเป็นสฉพาธรรมที่ยังบริสุทธิ์เหลือเกินนะท่านคงไม่ได้มานั่งเทศอยู่ศาลาไม่มีไมโครโฟนนะความบริสุทธิ์คงจะอยู่คนต้นไม้นะอยู่ตามลานหินปลาญหินอย่างเงีนะ้ยอยู่กับธรรมชาติทีนี้ยุคเรามีการเปลี่ยนไปเทคโนโลยีนะ เป็นไปเพื่อคนหมู่มากจากวันนั้นถึงวันนี้2 0 0พกว่าปีตาน้ำต้นน้ามันบริสุทธิ์จนกระทั่งมันไหลไหลไปไหลไปไหลไปจนกระทั่งมันขุนปริมาณก็มากขึ้นเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากแต่ว่าต้องกันต้องกรองต้องต้มต้องมีกวิธีทำให้น้ำสะอาดยิ่งขึ้นก็คือเราจะไม่ใช้สรัทธาอย่างเดียว ก็ต้องมีปัญญาแยกแยะนะในคำพูดเหล่านี้นะจึงสรุปว่าถ้าเราฟังแล้วรู้สึกตัวนะนั่งเจ็บปวดเมื่อเรารู้สึกตัวมีเสียงอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงพูดอย่างเดียวรู้สึกตัวนะตัวนี้เราได้รู้สึกว่าสบายสบายนั่นแะหละก็คืออารมณ์ของกรรมฐานเป็นนะักวรชาฐารมืออาชีพนะ มันเกิดการป่ยวางไว้แล้วไมขณะที่เราฟังคาพูดเราก็ไม่เอาดีไม่เอาไม่ดีตน้นเรียนเป็นจุดสูงสุดนในการที่เราจะใช้ชีวิตกันต่อไปทำอะไรก็มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวที่มีความเป็ น, ป, นปกติเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความเป็นปกติอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับ จนทังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสนิพานตั้งแต่จิมลองจนกระทั่งเป็นนิพานยั่งยืนก็คือเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกทุกขณะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนท่านเทิน